วันนี้รู้สึกเสียงจะดังมากพูดไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวก็นั่งสมาธิกันสักพักไปก่อนอันนี้เอาปฏิบัติกันเลยไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะฟังก็ไม่ค่อยได้ยินนอกจากต้องพูดดังๆเดี๋ยวลองลองนั่งสมาธิไปสักพักหนก่อนแล้เดี๋ยวเวลา เสียงเบาลงจะพุทธธรรมให้ฟังต่อเวลานั่งสมาธิก็ขอให้มีสติคือใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือจะรวมกันหายใจเข้าก็ว่าพุทธ หายใจออกก็ว่าโทรก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเหมาะสมของจิตของแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกันบางท่านชอบบริกรรมอย่างเดียวบางท่านชอบดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวบางท่านชอบพุทธเข้าโทรออกบางท่านก็ยังไม่สามารถที่จะดูลมหรือพุทโทได้ก็ สวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปหลายหลายจบสวดไปจนรู้สึกว่าใจนิ่งใจสงบแล้วค่อยดูลมหรือพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้เป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อทาใจให้สงบ ให้หยุดคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนี้ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจมีความทุกข์ทำให้ใจมีความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าใจหยุดคิดได้เรื่องราวต่างๆก็จะหายไปจากใจใจก็จะว่างจะเย็น จะสงบจะสบายจะมีความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความว่างซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขของใจเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจคู่กับใจไปตลอดไม่ว่าใจจะอยู่ที่ไหนใจก็จะมีความสุขเสมออันนี้เป็น ความสุขที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสหรือบุคคลหรือวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนั้นพึ่งพาใั่ไม่ได้เป็นของชั่วคราวเวลามีก็มีความสุข เวลาหมดไปก็จะมีความทุกข์แต่ถ้ามีความสุขจากความสงบจากการเจริญสติทำใจให้หยุดคิดปุงแต่งใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแล้วก็จะมีความสุขแบบนี้ไปได้เรื่อยๆไปจนไปตลอด เพราใจไม่มีวันสิ้นสุดและความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก็ไม่มีวันสิ้นสุขเหมือนกันนี่คือความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติะลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีองค์พระเจ้าส่งคนพบความสุขอันนีแล้ว แล้วก็ได้นําเอาความจริงอันนี้ความสุขอันนี้มาเผยแผ่ให้แก่พวกเราที่ยังไม่มีความสุขแบบนี้กันพวกเราอยากจะมีความสุขแบบนี้ก็ต้องมีความเพียรมีความขยันต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆเพราะสตินี้ เป็นผู้ที่จะทำให้จิตสงบนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้จิตสงบได้นอกจากสติ<ม>สติจึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นธรรมที่สำคัญที่สุด<ม>ทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในป่า รอยเท้าช้างนี่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี่คือความใหญ่ความสำคัญของสติแล้วก็ผลที่ได้จากการเจริญสติก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสู้กับความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ เราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้นั่งสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะขั้นเริ่มต้นนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของทางปัญญาปัญญานี้ถ้ายัางไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน จะเป็นปัญญาที่เหมือนกับมีดที่ยังไม่ได้รับมีดที่ไม่ได้รับนี้ยังเป็นมีดที่ไม่คมไม่สามารถที่จะเอาไปตัดอะไรต่างๆได้ฉะนั้นใดปัญญาที่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเป็นปัญญาที่ไม่สามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆได้เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุมรรคผลนิพานนี้อยู่ที่การตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี้เองถ้าสิ่งที่จะตัดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องเป็นปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าภาวนามย์ปัญญานี้เองภาวนาก็แปลว่าสมถภาวนา มายาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการไข้ควรพิจารณาตามหลักของความเป็นจริงตามหลักของตายรัก์ตามหลักของอริยสัจสี่ถ้าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักษเป็นอริยสัจสี่แล้วถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน เวลาเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะสามารถตัดตัณหาให้ให้ขาดได้เช่นความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่มีใครอยากแก่กันไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากตายกัน แต่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แต่สามารถยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้เป็นอนัตตาไม่มีใครร่วงพ้นไม่มีใครสั่งไปห้ามไม่ให้ร่างกายนี้แก่ละเจ็บตายได้คําว่าอนัตตก็คือร่วงพ้นไม่ได้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ถ้ามีร่างกายแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนอา น, นิจจาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมร่างกายนี้เวลาเกิดมาช่วงเกิดมาใหม่ๆช่วงแรกๆก็จะมีแต่การเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตได้เต็มที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ความเสื่อม เริ่มแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็ถึงความตายอันนี้ถ้ามีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงอันนี้ว่าร่างกายยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกไปเปล่าๆแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิจะไม่สามารถ หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ฝังลึกอยู่ภายในใจได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายเป็นอัตตาเป็นของเราอยู่ภายใต้คำสั่งของเรา สั่งให้แก่สั่งให้ไม่แก่ก็ไม่แก่สั่งให้ไม่เจ็บก็ไม่เจ็บสั่งให้ไม่ตายก็ไม่ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตาสั่งร่างกายให้ไม่แก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ไม่ตายไม่ได้จาเป็นที่จะต้องปล่อยวางยอมรับความจริงถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะรู้ว่าฝืนไม่ได้ฝืนความจริงไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้มีอยู่กับทุกร่างกายไม่ใช่มีอยู่กับร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวร่างกายของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกสัตว์ทุกบุคคล จึงอยากกระอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะเป็นสมุ ท, ทยัยสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากสมุ ท, ทยัยคือความความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองความทุกข์ใจนี้สามารถดับมันได้สามารถทำลายมันได้ด้วยการใช้ สมาธิและปัญญาเป็นผู้มาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะอยู่ไปอย่างสบายร่างกายยังไม่แก่ก็ไม่เดือดร้อนแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่เจ็บก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายตายหรือไม่ตายก็จะไม่เดือดร้อนรับได้อย่างสบายอันนี้ถ้าฝึกสติบ่อยๆมากๆจะทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบใจเป็นสมาธิแล้วเวลาเจ อ, เ, อ, อเจอตัญหาก็สามารถใช้ปัญญานี้มาสอนใจได้สอนว่าอย่าไปอยาก อยากแล้วจะทุกข์ไม่ว่าจะอยากกับเรื่องอะไรก็ตามนอกจากร่างกายแล้วก็ยังไปอยากกับเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องของร่างกายของคนอื่นเรื่องของทรัพย์สินข้าวของเงินทองต่างๆเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของเดนฟ้าอากาศไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเขาเป็นอนิจจังอนัตตาทั้งนั้น เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เช่นตอนนี้ฝนฟ้าตกฝนฟ้าขนองมีเสียงดังเราไปสั่งให้หยุด ไ, ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราสั่งเขาไม่ได้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับเขา ถ้าเราอยู่กับเขาเรารับเขาไม่ปฏิเสธเขาไม่มีความอยากให้เขาเปลี่ยนไปหรือหายไปหมดไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายนี่คือการบรรลุผลของการปฏิบัติคือดับความทุกข์ภายในใจที่มีอยู่หลายขั้น หลายตัวด้วยกันขั้นแรกของพระโสดาบันนี้ก็เกี่ยวกับร่างกายร่างกายนี้เป็นคือความแก่กับความเจ็บความตายนี้เป็นข้อสอบของพระโสดาบันผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบันได้ต้องเห็นว่าร่างกายกับร่างกายและความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิ่งที่ต้องปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วและเวลาปรากฏขึ้นมาก็ต้องรับมันไปไม่ปฏิเสธคือปล่อยวางร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยให้ตายไปถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย จะเห็นว่าถ้าไม่ปล่อยถ้าอยากให้แก่อยากให้เจ็บอยากให้อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายนี้ใจจะทุกข์จะเห็นอริสัตอริยสัจอริยสัจสเห็นเลยว่าความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ที่เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ความอยากอันนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจลนะถ้าอยากจะให้ความทุกข์ทรมานใจอันนี้มันหายไปดับไปก็ต้องหยุดความอยากหยุดวิภวะตัณหา หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะยจะหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นอนัตตาไม่มีใครไปห้ามมันได้ร่างกายไม่เป็นไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของใคร เราจึงไม่สามารถเรียกร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราได้ถ้ามันเป็นตัวเราของเราเราต้องสั่งมันได้ตอนนี้เราสั่งมันได้เราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งมันได้ไปในทุกเรื่องทุกอย่างแต่เราก็สั่งมันได้เพียงบางเรื่องบางอย่างเช่นตอนนี้เราสั่งให้มันไปไหนมาไหนได้อยากจะให้มันทําอะไรก็สั่งมันได้แต่มันมีเวลาที่สั่งมันไม่ได้ เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้มันลุกขึ้นมาไปทำงานทำการมันก็ไม่ยอมลุกเวลามันจะตายห้ามมันไม่ให้ตายก็ห้ามมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเพราะเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เมื่อเราเห็นว่ามันห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องปล่อยมัน ปล่อยให้มันแก่ไปความแก่นี้เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ความตายนี้เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอเราเห็นว่าถ้าอยากให้มันเป็นไปตามความอยากเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไป เพราะมันเป็นของแม่ท้าวรมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนี่คือปัญญาเห็นอนิจจังเห็นนาณ ต, ตาเห็นทุกขังว่าเกิดจากความอยากเกิดจากสมุทยัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคพร้อมมรรคคือปัญญาเห็นชัดเจนว่าทุกเกิดจากสมุทยัย ถ้าอยากจะะดับความทุกข์ก็ต้องละสมุทัยใจก็เลยละสมุทัยหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเวลาตายก็ปล่อยให้มันตายไปถ้าปล่อยแล้วใจจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะดับนี่คือนิโรธความทุกข์ความดับของทุกข์นี่คือนิโรธ พอิโรก็รู้เลยว่าได้บรรลุธรรมแล้วได้ละส ก, กายทิฏฐิได้แล้วได้ละได้ละส ก, กายทิฏฐิได้แล้วก็ได้ละวิจิกิจฉาได้แล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นพระธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจเห็นพระอริยสัจสีเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งสมุทัย เห็นทั้งนิโรอดเห็นทักมรเห็นทั้งมรผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมนนี้แหละเป็นธรรมเดียวกันกับที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าได้เห็นธรรมนี้ก็ต้องเห็นว่าผู้ที่มีีผู้ท่แสดงธรรมนนี้ต้องมีจริงต้องมีพระพุทธเจ้าจริงเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้มีคนเข้ามาทักก็ได้ว่าก็อาจจะมาทักว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีหรอกเป็นเรื่องนิยายเขาแต่งกันขึ้นมาเองถ้าเราไม่เห็นธรรมนี้เราก็ชักจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้นี่เป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาหรือเปล่าเป็นนิยายหรือเปล่าแต่พอเราได้ปฏิบัติได้เห็นธรรมที่พระเจ้าทรงเห็น ธรรมที่พระเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราก็คืออริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมากพอเราปฏิบัติเราก็จะเข้าไปเจอทุกสมุทัยนิโรธมากนี้เช่นเวลาเราอยากจะเจอทุกสมุทัยนิโรธมากนี้ลองนั่งให้มันเจ็บดูลองนั่งแล้วให้ร่างกายมันเจ็บดูแล้วดูซิว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือไม่ ความเจ็บแล้วนอกจากความเจ็บแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไอ้ที่เราทนกันไม่ไหวไม่ใช่ความเจ็บที่ทนไม่ไหวกันก็คือความทุกข์ที่เกิดจากสมุทยัยคือความอยากให้ความเจ็บมันหายไปเนี่ยพอเราปฏิบัติเข้าไปในใจแล้วเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะไม่สงสัยในว่าพระอริยสงฆ์ว่าคือใครพระอริยสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่เองก็คือตัวเรานี่แหละตัวที่ได้เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ละสมุทยัยได้ทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาได้เจริญมรรคด้วยปัญญาด้วยการเห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจังทุกขังอนตัตตาก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ต่างกันตรงลักษณะแต่ เ, เนื้อหาสาระนี่อันเดียวกันพระพุทธเจ้ามีอริยสัจสี่พระธรรมก็มีอริยสัจสี่พระสงฆ์ก็มีอริยสัจสี่ นี่คือตัวเชื่อมระหว่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเหมือนตัวเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือพระอริยสัจสี่เมื่อเห็นทุกข์แล้วว่าเกิดจากความอยากและความอยากนี้ก็เกิดจากความไม่อยากให้สิ่งต่างๆมันเสื่อ ม, มก็จะไม่ไปทําการกระทําต่างๆที่จะมาดับความทุกข์ นอกจากการละตันหาความอยากเท่านั้นจะไม่มีศีลพัตณาปร ม, มารคือจะไม่ไปประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจดับไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บก็ดีกลัวความตายก็ดีบางคนก็ไปทำบุญถวายผ้าขาวให้กับพระเวลาพ่อแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาล ใจตัวเนทุกข์ไม่อยากให้พ่อแม่ตายก็เลยเชื่อเขาว่าเอาผ้าขาวไปถวายพระแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะหายจะไม่ตายพระท่านจะเมตตาเวลามาถวายผ้าขาวก็ขอให้พระช่วยแผ่เมตตาใหออ้อันนี้ เ, เรียกว่าเป็นสีลพัตตปาลมาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดปัญหาที่ถูกจุดก็คือตอนนี้เราทุกข์เพราะอะไร เราทุกพ่อเราไม่อยากให้พ่อแม่เราตายเราอยากให้พ่อแม่เราอยู่อันนี้แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจอยากให้พ่อแม่อยู่ต่อไปอยากไม่ให้พ่อแม่ตายก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นความจริงว่าพ่อแม่ของเราทุกคนนี้เกิดมาแล้วเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไป ถ้ามีปัญญาแล้วมีสมาธิก็จะยอมรับความจริงได้ก็ทำใจให้สงบทำใจให้เนิ่งเฉยๆยุติความอยากใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของพ่อของแม่เพราะเมื่อมันเป็นความจริงมันเป็นอนิจจังเกิดแล้วต้องตายอย่างที่พระอานยกรณทัญ ญ, นน ญ, ญได้แปลวาจาไว้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพระอริยสัจ ส, สให้ฟัง สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายเมื่อมีเกิดแล้วต้องมีตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไขก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาลันต่สาวกทั้งหลายก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ไม่ตายนั้นคือใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็นสิ่งที่ถาวรใจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าใจได้ชำระได้ทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องไปรับผลบาปผลบุญอีกต่อไปก็จะเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาลันตสาวกก็ยังเป็นใจเหมือนกันอยู่ใจที่ยังไม่ชำระก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกต่อไปมีเท่านี้ความจริงผู้ที่เข้าใจความจริงแล้วก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายไปกับความตายของร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็จะเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองคนที่เสวมใส่เสื้อผ้านั้นไม่ได้ตายไปกับเสื้อผ้าเวลาเสื้อผ้ามันขาดใส่ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งหรือเอาไปเผามันทิ้งไป แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ต่อก็อมีอยู่เท่านั้นร่างกายกับใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นเหมือนร่างกายส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าเวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับเสื้อผ้าเหมือนจะต้องไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสียใจแต่อย่างใดเวลาพ่อแม่ตายไปตัวพ่อแม่เองไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อแม่ก็คือใจอ กายของพ่อแม่ก็ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายไว้สำหรับติดต่อกับพวกที่มีร่างกายอย่างพวกเราเท่านั้นเองอแต่ณร่างกายพ่อแม่ตายไปก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือของพ่อแม่เสียไปเมื่อโทรศัพท์มือถือของพ่อแม่เสียไปเราก็ไม่สามารถโทรติดต่อกับโทรศัพท์ของพ่อแม่ได้ ร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือใจของพวกเราก็เป็นเหมือนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเวลาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เสียไปเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่พอเรามีเครื่องใหม่เราก็ติดต่อกับคนอื่นที่มีโทรศัพท์มือถือได้แต่เครื่องใหม่นี้ซื้อมาต่อไปมันก็ต้องเก่าเก่าแล้วมันก็ต้องตายมันก็ต้องพังไปเหมือนกัน ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ร้อยล้านล่างแนละ้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นรับเปลี่ยนแต่ละทีก็ร้องห่มร้องไห้กันทุกทรมานใจกันแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอมาได้ร่างกายอันใหม่ก็ดีออกดีใจไปสักพักหนึ่งตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็หลงละเลิงหาความสุขกันเพราะร่างกายตอนนั้นมันสมบูรณ์แข็งแรง สามารถทำอะไรต่างๆได้แต่พอมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าก็จะเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าต่อไปร่างกายของเรานี้ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะจะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้มีพระพุทธเจ้า ที่ทรงเห็นปัญหานี้แล้วทรงพยายามหาวิธีแก้ปัญหานี้ว่าทำอย่างไรถึงไม่ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ข้อสรุปว่าต้องไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าไม่เกิดแล้วก็จะต้องไม่ก็ไม่ต้อง ม, มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย และก็ส่งคนพบต้นเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากตัณหาความอยากนี้เองเพราะว่ายังอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เพราะไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่านี้อยู่ภายในใจนี่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความสุขที่แท้จริงว่ามีอยู่ในใจของเราแล้ว ไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจแต่เมื่อไม่รู้ก็เลยต้องไปหาความสุขนอกใจความสุขนอกใจก็คือความสุขทางร่างกายนี่เองก็ต้องไปหาร่างกายมาเพื่อจะได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเพราะจะได้เสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเวลาได้เห็นรูปที่ถูกกบถูกใจก็มีความสุข เวลาได้สัมผัสกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโพธพะที่ถูกออกถูกใจก็มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นความสุขที่มีการเจริญแล้วมีการเสื่อมไปมีการเกิดแล้วมีการดับไปเวลาเสื่อมไปดับไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ก็ไม่เข็ดพอเสื่อมไปก็ไปหาใหม่มาทดแทนหามาทดแทนมากน้อยเท่าไหร่ก็หมดไปเหมือนกันก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆหาไปจนร่างกายนี้หาไม่ไหวร่างกายเองก็ต้องเสื่อมหมดไปแต่ความอยากมันไม่ได้หมดไปกับความเสื่อมของร่างกายความอยากมันอยู่ในใจ มันก็ผลักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่มันมากมายกายกองถ้าอยากจะรู้ว่ามากขนาดไหนท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าในแต่ละพบแต่ละชาติที่เรามาเกิดนี้เราต้องร้องไห้กันทุกคนน้ำตาที่เราหลั่งออกมาเนี่ย ถ้าเราเอามาเก็บไว้รวบรวมกันของแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าน้าในมหาสมุทรซิคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดแเจ็บตายกี่อล้านค ร, นรนั้งด้วยกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้าในมหาสมุทรนั่นคือจำนวนพบชาติของพวกเราแล้วก็ยังจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกไม่มีวันหมด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมาพบพระอริยสัจสี่มาเห็นว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงหรือความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากอยู่ที่การทําใจให้สงบทําใจให้นิ่ง ถ้าใจสงบใจให้นิ่งใจไม่มีความอยากใจจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆภายในโลกนี้จากร่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสพอเราเห็นความสุขกันนี้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะเรารู้ว่า ทำไปก็สู้ความสุขที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เหมือนกับถ้าเราได้ของที่ดีกว่าเราจะไปอยากเก็บของที่ไม่ดีกว่าไว้ทำไมถ้าเราได้รถคันใหม่เราอยากจะเก็บรถคันเก่าไว้ทำไมถ้ารถคันใหม่มันดีกว่ารถคันเก่าฉันใดถ้าเรายังถ้าเราพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เมื่อเราไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เริ่มต้นที่การฝึกสติจเจริญสติ ถ้ามีสติแล้วจะทำใจให้สงบได้เมื่อใจสงบแล้วถ้าหมั่นเจริญปัญญาพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆใจก็จะหยุดความอยากได้จะไม่ทำตามความอยากเมื่อไม่ทำตามความอยากก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อไปดังนั้นพวกเราต้องพยายามเจริญสติกันให้มากๆ สร้างความเพียรพยายามให้มากความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเหตุคือสติถ้ามีสติแล้วจะมีสมาธิจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะมีการหลุดพ้นมีการบรรลุมรรคผลนิพพานตามมาอย่างนั้นหน้าที่ของเราก็คืออยู่ที่การสร้างเหตุเจริญเหตุ สร้างเหตุด้วยความภาคเพียรความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามมีแต่ความอยากได้ผลนี้ก็ต้องอยากไปไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันได้ผลเพราะผลไม่ได้เกิดจากความอยากผลเกิดจากความเพียรเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิ เพียนสร้างปัญญาเมื่อมีความเพียงมีมีความเพียงมีสติมีความเพียงก็จะมีสติมีสติก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็จะมีปัญญาเมื่อมีสติสมาธิปัญญาแล้วปัญหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็จะถูกทำลายไปหมด นิโรธคือความดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือมรรคผลนิพพานนี้เองผลที่เกิดจากมรรคมรรคก็คือสติสมาธิปัญญาผลก็คือนิโรธคือการดับทุกข์ขั้นต่างๆดับทุกข์ของขั้นของพระโสดาบันดับทุกข์ของขั้นพระสกิดาคามีดับทุกข์ของขั้นพระอนาคามี ระดับทุกข์ของขั้นพระอราหันต์มีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นตอนด้วยกันต้องใช้ต้องใช้มักในการทำลายตัณหาเพราะทุกทุกขั้นตอนนี้เกิดจากตัณหาความอยากมักก็ต้องเห็นต้องเห็นไใจรักเห็นอสุภะถ้าขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีนี้ต้องเห็นสุอสุภะเห็นว่า ไม่สวยไม่งามร่างกายของคนที่เราหลงหลายข้างใครว่าสวยว่างามนี้เราเห็นเพียงด้านเดียวด้านไม่สวยเราไม่มองกันเราจรึงหลงหลายข้างใครแต่ถ้าเรามองด้านที่ไม่สวยมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูลองดูข้างใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้างมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีหนังมีเนื้อเอนกระดูกมี ม, าม้ามีตับมีไตมีหัวใจมีปอดมีลำไส้มีสมองเห็นสิ่งเหล่า น, นี้ภายใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเมื่อเห็นความไม่สวยไม่งามก็จะละกามารมณ์ได้กามราคะความรักความไข่ในร่างกายความอยากจะเสกการมกับร่างกายอันนี้ ก็จะถูกทำลายไปด้วยอำนาจของอสุภะอสุภะนี่ก็คือปัญญาหรือมรรคที่จะมระกามราคะก็คือกา마ตันหาที่เป็นสมุทยัยที่ทำให้ต้องไปหานั่งกายมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาไม่ได้เสพแล้วจะเกิดความรู้สึกเหงาว้าเวรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ พอได้เสพกามแล้วก็จะระบายความรู้สึกนั้นไปได้ชั่วข่าวแต่เดี๋ยวมันก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากจะเสพใหม่ก็ต้องเสพอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเสพมันใหม่แต่ถ้าจเจริญาสุภาษะมองเห็นสุภาษะได้ตลอดเว ล, เวลาเวลาเกิดกามอารมณ์ก็ใช้อสุภาษะนี้มาดับกามอารมณ์ได้ พอการอารมณ์ดับไปความทุกข์ก็หายไปไม่ต้องเสพกามละบายะบายความะบายการอารมณ์ด้วยการใช้อสุภะนี่ดีกว่ากับการใช้ไปการไปเสพกามเพราะการไปเสพกามตามความอยากนี้มันจะทำให้ความอยากใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าการระบาย ความทุกข์ที่เกิดจากการมาลงด้วยการหยุดการมาหลด้วยการพิจารณาอสุภะอันนี้การมาล์จะไม่กลับพ้นขึ้นมาใหม่การมาหลงจะตายไปหมดการมาราคะการมาตัณหาจะตายด้วยอสุภะไม่ได้ตายด้วยการเสดกามถ้าเสดกามแล้วมันก็ต้องเสดไปเรื่อยๆเสดวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเสดใหม่ แต่ถ้าพิจารณาใช้อสุภะเข้ามาหยุดการมาลมต่อไปการมาลมมันก็จะจางหายไปทุกครั้งที่มันยังโผล่ขึ้นมาอยู่ก็ใช้อสุภะนี้เข้าไปละลายมันละลายมันไปได้เรื่อยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายไปหมดพอไม่มีการมาลมแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะเสดกาม อันนี้ก็เป็นขั้นของพระสกิดาคามีและพระอนาคามีพระสกิดาคามีนี้ท่านทำให้การมารม์เบาบางลงไปยังไม่ถึงกับบทออคือเหลือร้อยละ50จาก100ออจากร0 0ยต่อ100เหลือร้อยละห้าแต่ยังไม่ได้ทำลายให้หมดไปเพราะว่าท่านยังไม่สามารถเจริญอสุภะได้ตลอดเวลาเวลาที่มีอสุภะ ก็สามารถระ ง, งับการมารลมได้เวลาที่ไม่มีอสุภะก็ยังต้องเผลอไปเสพกามอยู่แต่พอถึงขั้นผ้านาคามีนี้ท่านจะสามารถเจริญอสุภะได้ตลอดเวลามีอสุภะอยู่ภายในใจตลอดเวลาเวลาใดที่เกิดการมารณ์ขึ้นมาเวลานั้นสามารถนาเอาอสุภะมาดับการมารลมได้เลย ก็เลยทำให้การอารมณ์นี้หมดไปหมดไปก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายกต่อไปการมีร่างกายนี้ก็เพื่อมีไว้มาเสพกามกันนั่นเองที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเทวดาพวกนี้ยังเป็นสัตว์ที่เสพกามกันอยู่ยังต้องมีร่างกายเทวดาก็มีร่างทิพย์กายทิพย์นะ่ส่วนมนุษย์ก็มีร่างกายหยาบคือ ร่างกายที่ทำจากดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็จะหมดปัญหาไปการจะกลับมาเกิดในกามาพบก็จะหมดไปแต่ยังมีปัญหาความอยากที่จะเสพความสุขอันละเอียดที่ยังมีอยู่ภายในใจเช่นความสุขที่ได้จากรูปประชานหรืออารูปประชานอันนี้ก็ต้องใช้ ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันก็เป็นเหมือนกับร่างกายนี้แหละมันก็เป็นเหมือนความอยากเสพร่างกายเพียงแต่ว่าแทนที่จะเสพร่างกายเสพวามสงบ เ, เสบรูปประชานเสปรรูปประชานาก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาให้เห็นว่าฌานก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน เ, เวลาอยู่ในฌานก็มีความสุขเวลาออกจากฌานมา ก็อยากให้กับอยากจะมีความสุขเอง ก, ก็จะเกิดความทุกข์กิดความ เ, าเกิดความไม่สบายใจแต่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่ละเอียดไม่ได้เป็นความทุกข์แบบของพวกเรามนุษย์มนา่าธรรมดาเป็นความทุกข์ลึกๆของพระอนาคามีผู้ที่มีปัญญาในระดับนั้นจะเห็นแล้วก็จะแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาเรื่อง การติดอยู่ในรูปประชานรูปประชานแล้วก็มาแก้ปัญหาที่ยังมีมานะมีการถือตัวแล้วก็มาแก้ความหลงที่ยังไปหาความสุขนอกจากความว่างความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความว่างคือไม่ต้องมีอะไรอันนี้ก็จะใช้ปัญญากำจัดอวิชชาความหลงที่ยังไปหลง หาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่ที่มีอยู่ภายในใจอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจพอมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่เสื่อมก็เลยปล่อยวางการเสพอารมณ์ต่างๆที่ละเอียดที่มีอยู่ภายในใจพอ ปล่อยวางไม่เสร็จปั๊ใจก็จะนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่นิโรธส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เกิดก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อนิโรธปรากฏเต็มที่ทุกหมดทุกดับหมดเพราะตัณหาต่างๆดับหมดใจก็หลุดพ้นใจก็เข้าสู่พระนิพพานไปนี่คือเรื่องของการใช้สติเพื่อสร้างสมาธิ เพื่อเจริญปัญญาเพื่อที่จะนำมาสู่การดับของความทุกข์ของขั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นของพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นของพาอาาระอรหันต์ต้องใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจเมื่อดับความทุกข์ต่างๆหมดไปแล้วความทุก ก็จะไม่มีปรากฏอีกต่อไปความทุกไม่มีปรากฏอีกต่อไปก็เหลือแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังความสุขที่อยู่กับความว่างนี่เองนิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุญญ์ความสุขที่แท้จริงอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรเพราะว่าการมีอะไรนี้จะต้องมีการเสื่อมไปเสมอ ไม่ว่าจะเป็นของหยาบหรือของละเอียดก็ตางของหยาบก็เช่นราบยศ ส, สรเสนูกเสียงกลิ่นนสดขันห้าหรือสิ่งที่ละเอียดก็คือธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นว่าเป็นตายรักทั้งหมดเมื่อละได้แล้วใจก็จะไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ใจจะอยู่กับความว่าง อันนี้เรียกว่านิบานังประมังสุนอย่างนิพพานนี้อยู่กับความว่างอยู่กับบรมสุขบรมสุขนิพพานคือคือบรมสุขนิพพานคือบรมว่างปละมังสุนอย่างก็คือความว่างร้อยเปอร์ซความว่างเต็มที่เรียกว่าบรมมาสุขประมังสุญญ์นิบานังประมังสุนอย่าง นิบังนิบานังปละมังสุขขังอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่กับไม่ต้องอยู่กับอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาเจริญสติกันเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบเมื่อทำใจให้สงบแล้วจะมีพลังมีกำลังที่จะไป จเจริญปัญญาแล้วจะเอาปัญญานี้ไปต่อสู้กับตัญหาความอยากต่างๆได้ทำลายตัญหาความอยากให้หมดไปจากใจได้ทำใจให้ปราศจากความทุกข์ทำใจให้ว่างไปตลอดได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวะหาปุระปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเตตังนางอุปการปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินัศสตุมาเตภวตะวันตรายุสุขีธีกายุโกภวา อาพิวาทนสีริตะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวัทฐานติอายุวันโอสุขังคาลังช่องต่อไปนี้ก็เป็นช่องถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมปิดใหม่แล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบครับจากนักสการานอาจารย์ครับเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์แสดงธรรมท่านอาจารย์บอกว่าอสุภกรรมฐานเนี่ยเอาไว้เจริญก็ต่อเมื่อเราเป็นสกรริทาคามีแล้วก็อนาคามีจะจะเป็นถึงขั้นที่สองกับ ท, ที่สามเพราะฉะนั้นที่ผมเข้าใจคือว่าตอนที่เป็นโสดาบันเนี่ย มักคุวิธีอย่างนี้อาจจะยังไม่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราเห็นร่างกายเราแก่เจ็บตายอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้มันไปไม่ว่าอันไหนมันเกิดเราก็ต้องแก้มันไปถ้ามันเกิดการอารมณ์เราก็ควรจะใช้ อ, อสุภาแกแต่ตาม ล, ลำลดับขั้นตอนที่ท่านแสดงไว้ว่า กามารมณ์ น, มนี่มันจะยากกว่าหรือว่ามันจะต้องผ่านขั้นปล่อยวางเรื่องของความเจ็บความตายไปได้ก่อนมันถึงจะไปเอากับมันอย่างเต็มที่แต่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะมาอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่แล้วมันฉะนั้นถ้าเราไม่จเจริญสุภาพเลยมัวแต่จเจริญความแก่ความเจ็บความตายเพียง อ, อย่างเดียวมันก็ยัง สู้สู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามเจริญควบคู่กันไปแล้วแต่ว่ามันมีตัวไหนมาเราก็สู้กับมันไปมันจะได้ไม่ไม่ไม่มีกําลังมากเราค่อยตัดกําลังมันไปเรื่อยขอบพระคุณมากครับไอ่สีขั้นนี้มันอาจจะไป พร้อมๆ ม, มันจะบรรลุไล่ๆกันไปเลยก็ได้บางบางท่านนี่บรรลุขั้นที่หนึ่งที่สองที่สาไล่ไปเลยเพราะงั้นเวลาสแสดงนี่มันอาจจะเหมือนว่ามันมันมีระยะช่วงซึ่งสําหรับบางคนมันก็มีระยะช่วงบางคนเจดชาติถึงจะค่อยค้นจากโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นพระโสดาบันยังกลับมาเกิดเสพกามได้ถึงเจชาติ ถาสกิรดาคามียังกลับมาเกิดเสดการเอกชาติหนึ่งพอถ้าค่อยไปถึงพระอนาคามีถึงไม่ไม่เสดการอีกต่อไปอนั้นการปฏิบัติของแต่ละคนนี้มันก็อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความไวของสติปัญญาของแต่ละคนมันเหมือนจะมีความลักษณะที่แตกต่างกันไป คำถามจากทางบ้านจากคุณยุเวลานั่งสมาธิก่อนหลับตาโยมจะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงรูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแม้แต่จิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาตามความเป็นจริงขณะนั้นๆแล้วค่อยหลับตาทำสมาธิเริ่มต้นก็พุโทโธและดูลมคู่กัน จากระยะคาบริกรรมก็หายไปเหลือแต่จิตที่รู้อยู่ไม่คิดอะไรอัตโนมัติแต่พอเจอความว่างจิตพิจารณาอัตโนมัติความว่างไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสักแต่ธาตุจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนสักแต่ธาตุเราไม่มีในจิตจิตไม่มีในเราแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปแล้วพอถึงเวลาก็ถอนอัตโนมัติ แต่ก่อนลืมตาก็พิจารณาเหมือนตอนเริ่มต้นพระอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมคะอันนี้ก็เป็นการทาการบ้านนี่จะรู้ว่ามันทำแล้วได้ผลหรือไม่ก็ต้องไปทำข้อสอบดูอันไหนที่เราพิจารณาว่าไม่ใช่เป็นของเราก็ยกให้คนอื่นไปสามีไม่ใช่ของเราก็ยกให้เขาไปลูกไม่ใช่ของเราก็ยกให้คนอื่นไป สมบัติข้าวของเงินทองไร่ใย่ของเราก็ยกให้เขาไปต้องไปพิสูจน์ดูว่าเราทำได้หรือไม่การที่เราภาวนาอยู่คนเดียวแล้วเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับการทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนทีเราก็มีทางเลือกว่าจะรอให้ถูกบังคับให้ทำหรือว่าเราจะสมัครใจทำ สมัครใจทำก็เดินเข้าหาข้อสอบถ้าไม่สมัครใจทำก็ต้องรอให้ข้อสอบมาหาเราเช่นเวลาเกิดการพัดพลากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เราลักเราชอบเราก็จะรู้ตอนนั้นว่าการบ้านที่เราทำมานี้มันได้ผลหรือไม่ได้ผลคำถามจากคุณจิ๊บเวลานั่งสู้เวทนา บางครั้งจะมีอาการตัวสรรั่นเกรงบางทีก็สั่นมาถึงหัวพอหยุดสั่นเวทนาก็หายไปพอปวดอีกก็สั่นอีกพยายามบังคับไม่ให้ร่างกายสรรั่นแต่ก็ไม่สามารถฝืนได้อยากทราบว่าที่ถูกควรทำอย่างไรคะมันไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะสรรั่นแล้วเราต้องมาทาให้ สร้างสติขึ้นมาให้มากๆเวลามันเจ็บก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเนื้อส่วนวนไปเพื่อให้มีสติประครับประคองใจเมื่อมีสติประครับประคองควบคุมใจมันก็จะไม่สั่นจะไปสั่งมันไม่ให้มันสั่นนี้มันไม่ฟังต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมบังคับเหมือนกับรถจะให้มันหยุดนี้ต้องเหยียบเบรกไม่ใช่ไปสั่งว่าหยุดหยุดหยุดแต่ไม่เหยียบเบรค ไม่เหยียบเรกสั่งอย่างเดียวมันไม่หยุดหรอกแต่ถ้าเหยียบนี้ไม่ต้องสั่งมันก็ได้ถ้าเหยียบแล้วเดี๋ยวมันต้องหยุดเองเวลาใจมันสั่นใจมันพยศนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติคอยควบคุมบังคับมันเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเช่นบริกรรมพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องอาศัยการสวดการบริกรรมนี้เป็นตัวสร้างสติขึ้นมา ถ้าเรามีสติมากๆแล้วเราไม่ต้องสวดไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่กาหนดปั๊บบอกให้หยุดมันก็หยุดได้นั่นแสดงว่ามีสติแล้วแต่ถ้ายังไม่มีสติก็ต้องสร้างมันขึ้นมาการสร้างสติก็เช่นเนี่ยการบริกรรมหรือการสวดอะไรไปในขณะที่ใจมันสัน่นใจมันทุกข์ใจมันวุ่นวายอะไรถ้าไม่มีสติสั่งให้มันหยุด หยุดมันไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาในตอนนั้นคําถามจากคุณพักษทุกมีได้ด้วยเหตุใดครับทุกแล้วก็ทุกในอริยสัจสีท่านก็แสดงว่าเราเกิดจากสมุทยัยสมุทัยคือตันหาทั้ง3ได้แก่การมตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าตันหาความอยากมีอยากเป็น อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และวิภาวะตันหาความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นอยากให้คนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนีน้อยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตันหาถ้ามีความอยากสามอย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมา<ห>น <hum> คาถามจากคุณดวงดี ผมมีโอกาสไปฟังธรรมกับพระอาจารย์สองครั้งแล้วครับทำให้ผมมีกำลังใจที่จะฝึกปฏิบัติต่อการที่เราจะฝึกสมาธินี้ก็ลำบากอยู่ครับ ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหามากมายทั้งที่มาจากภายนอกทั้งที่มาจากภายในความคิดมีทั้งที่ละได้บ้างไม่ได้บ้างทั้งที่เคยชนะแต่ก็กลับมาแพ้บ้างเป็นเพราะผมหยอต่อการปฏิบัติหรือเปล่าครับจึงทำให้แพ้ต่อกิเลสตัณหากามะตัณหาคือกิเลสที่ผมแพ้ผมควรจะพิจารณาอย่างไรครับถึงจะชนะได้ก็ต้องเลือกทาง ว่าเราจะเอาความสุขทางร่างกายหรืจอ จ, รจะเอาความสุขทางจิตใจถ้าเราจะความสุขทางจิตใจเราก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปถ้าอยากจะให้ผลได้ผลเร็วก็ไปบวชเลยถ้ายังอยู่แบบคารวะอยู่ก็แสดงว่า awa, ยังแทงกั๊กอยู่ยังยังอยา ก, ยา ก, ยากความสุขทางร่างกายาอยู่ความสุขทางธรรมก็ยังอยากอยู่มันก็เลย วิ่งไปวิ่งมาระหว่างสองทางนี้วันไหนขึ้นวันดีขึ้นดีก็กลับไปทางโลกทางร่างกายพอเบื่อก็กลับมาทางธรรมเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมามันจะไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าอยากจะได้ทางธรรมต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระอรหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านถึงเรียกว่าเป็นสลาณงกัจฉามิคำว่าสลาณะที่พึ่งก็คือตัวแบบฉบับ ท่านได้ความสุขทางธรรมอย่างไรท่านได้เพราะท่านสละความสุขทางโลกไปถ้าถ้าไม่ยอมสละความสุขทางโลกเราจะได้ความสุขทางธรรมได้อย่างไรเหมือนกับถ้าเราต้องการจะเทกาแฟกาแฟถ้วยใหม่เข้าไปใ น, ในแก้วแต่ในแก้วยังมีกาแฟเก่าอยู่ถ้าเราเทมันเข้าไปมันก็ปนกันทั้งเก่าทั้งใหม่มันก็ไม่ได้อะไรรสชาติก็ไม่ดี ถ้าเราอยากจะได้รสกาแฟาถ้วยใหม่รสใหม่ที่เ พ, พิ่งที่เพิ่งทาใหม่เราก็ต้องเทกาแฟาเก่าที่มันเย็นมันชืดไปแล้วเทมันทิ้งไปแล้วก็เทกาแฟาที่เพิ่งทําใหม่ที่มันร้อน้อมร้อ น, อ, อ, นอย่างนี้เทมันเข้าไปมันก็จะได้รสชาติของกาแฟาอย่างเต็มที่นั้นเวลาที่เราต้องการความเจริญเืบหน้าทางทำนี้ เราต้องหันหลังให้กับทางโลกถ้าเรายังหันหน้าไปทางโลกอยู่แล้วเราจะไปทางธรรมได้อย่างไรคำถามจากคุณธัญญาจะมีความกลัวแบบหนึ่งซึ่งนานๆเกิดทีแต่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆคืออยู่ดีๆก็รู้สึกว่ารอบตัวเหมือนไม่มีแก่นสารไม่รู้ว่าคืออะไรพ่อแม่โต๊ะเก้าอี้คืออะไร เหมือนเป็นสะสารอย่างหนึ่งเหมือนไม่มีจริงแล้วรู้สึกรอบตัวเงียบนิ่งเวิงหวางแต่ไม่กี่นาทีก็จะหายกลัวกลับมาปกติไม่ได้เป็นคนจิตนิ่งเพราะก็นั่งสมาธิไม่ได้จะมีวิธีจัดการความกลัวแบบนี้ได้อย่างไรคะพอ เ, เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็บอกให้ส่งราเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เช่นสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณไปหรือบริกรรมชื่อของท่านว่าพุทโธธรรมโมสังโฆไปอย่าสงใจเราไปหาสิ่งที่เรากลัวแล้วความกลัวก็จะหายไปได้คำถามจากคุณกโหนพรข้อแรกดิฉันอ่านทมชุดเตรียมพร้อมหลวงตากล่าวว่า เวทนามันจะใหญ่โตเท่าภูเขาเราก็รู้ดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องรู้เวทนาด้วยคะคาว่ารู้ก็คือให้รับรู้เฉยๆอย่าไปเกิดตัณหาความอยากให้มันหายไปหรือให้มันอยู่นิสัยของพวกเรามันเวลาเจอสุขกเวทนาก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆเวลาเจอทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไป พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยไม่สุขมันกับทุกข์มีความสุขแต่อยากให้มันอยู่ไปนานๆก็กังวลแล้วว่าจะสุขไปนานๆหรือเปล่ามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกขเวทนาขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายไปทันทีทันใดมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีทันใดแต่ถ้าให้รู้เฉยๆรับรู้เฉยๆว่ามันเป็น เวทนามันเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาใจของเราถ้ารู้เฉยๆไม่มีความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไปอยากโดยเฉพาะทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่เราเจอมันปั้บนี่อยากจะให้มันไปหายมันทันทีพอเกิดความอยากว่ามันก็เกิดความทุกขทนไม่ไหวขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีความอยากก็จะ ทนอยู่กับมันได้จะไม่เดือดร้อนกับมันเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิดความเจ็บปวดไปตามร่างกายต่างๆใจของเราปกติก็อยากจะให้มันหายหรือไม่อยากจะเจอมันเนี่ยพอเจอความรู้สึกนี้เจอความอยากอย่างนี้ขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราหยุดความอยากกันนี้ได้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของร่างกาย กปนานัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปขับไล่มันไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดขนาดไห น, นมันก็จะไม่มาทาให้ใจเราเจ็บปวดตามไปด้วยมันจะเจ็บอยู่ที่แค่ร่างกายเท่านั้นรู้เวทนาแบบคนมีสติปัญญากับรู้เวทนาแบบคนเลื่อนลอยต่างกันอย่างไรคะ ก็อย่างที่บอกเนี่ยคนไม่มีสติปัญญาก็จะเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาคนได้มีสติปัญญาก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจข้อสองหลวงตากล่าวว่าร่างกายที่มันแปรสภาพไปแล้วมันหมดหวังแล้วให้พิจารณาธาตุขันธ์ที่ยังเหลืออยู่ธาตุขันธ์ที่ยังเหลืออยู่ยังพอมีประโยชน์อยู่ดิฉันไม่เข้าใจว่าพิจารณา จากสิ่งที่เหลืออยู่ว่าอยู่เป็นอย่างไรเช่นปวดกระดูกสันหลังสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือแขนขาให้เอาแขนขามาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังมาก็เลยไม่แน่ใจว่าถามตรงออกับที่ท่านพูดไว้หรือเปล่าคำถามจากคุณปราธนาเมื่ออ่านธรรมมพระอาจารย์ทุกเช้า ทำให้จิตสงบต่อเนื่องบางวันจะมีสัญญาต่างๆในอดีตปรากฏให้ทราบว่านี่คือสาเหตุแห่งทุกข์ตั้งคำถามมากมายว่าจะถามพระอาจารย์ก็มีสัญญาปรากฏให้ทราบนี่คือสาเหตุเหมือนมาตอบให้ทราบโดยไม่ต้องรอคำตอบสัญญาที่เกิดขึ้นอาจจะจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะจะจริงไม่จริงไม่สาคัญหรอ สำคัญว่ามันดับความทุกข์ได้หรือไม่ถ้าดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้คำถามจากคุณเอปาดาทุกครั้งที่ปฏิบัติพเพ่งเครียดจนอึดอัดตนเองมีความสุดตรงทั้งรู้ก็ไม่สามารถหาความพอดีได้ไม่ตั้งใจเกินไปก็ละหลวมการปฏิบตัติและหากเพราะการปฏิบัตินั้นเป็นไปเพราะความอยาก จึงทำให้เคร่งเครียดจะทำอย่างไรให้ความอยากนั้นไม่กดดันตัวเองเราจะปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรให้มีความสุขคะก็ให้ปฏิบัติให้จิตใจของเราจ่ออยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทาของเราอย่าส่งใจไปจ่ออยู่ที่ผลถ้าเราส่งใจไปจ่ออยู่ที่ผลมันก็จะเกิดความอยากให้เกิดผลขึ้นมาแต่ถ้าเราจ่อใจเราอยู่ที่เหตุ เช่นถ้าเราจเจริญสติก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงผลว่าจะสงบอย่างไรจะว่างอย่างไรจะรวมอย่างไรนั้นอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ที่เหตุคือการจเจริญสติพุโทโธพุทโธอย่างเดียวถ้าพิจารณาปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรัอย่างเดียวว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะความอยาก มันไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราจะไปสั่งไปสั่งมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความจริงแล้วผลมันจะเกิดขึ้นไงคือการปล่อยวางแต่ถ้าไปอยากให้ปล่อยวางมันก็จะไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะไม่ได้ผลคำถามจากคุณแนนนี่หนูเครียดกับชีวิตมากๆค่ะจนคนอื่นบอกว่าหนูเป็นบ้าหนูมีอาการเกรงที่เบ้าตา หนูพยายามจะมองโลกในแง่ดีแต่มันก็โอดที่จะเครียดแบบนี้ไม่ได้มันเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่าที่สุดของหนูเลยค่ะหนูควรจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะแล้วก็มาฝึกทำใจให้สงบเพราะตอนนี้หนูคิดมากยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดะนั้นต้องพยายามหยุดความคิดด้วยการเจริญสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแทนความคิดนอย่าไปคิดอะไร คือพุทโธพุทโธมันไปทั้งวันทําอะไรก็พุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือการสร้างความเครียดให้กับเราวิธีคลายความเครียดก็คือพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะคลายความเครียดลงไป แล้วความสงบก็จะกลับคืนมาคำถามจากคุณภาวนาในสมัยพระพุทธการนางวิสาขาและอนาถปิทีิกาเศรษฐีได้เป็นได้บรรลุเป็นโสดาบันนั้นแสดงว่าทั้งสองคนต้องภาวนาและวิปัสสนาจนได้เป็นโสดาบานันใช่ไหมคะก็ต้องก็ต้องมีปัญญามีสมาธิมีมีศีล มีมรคนั่นเองมรคือศีลสมาธิปัญญามีทานเป็นเครื่องประกอบกันที่จะทำให้ใจสามารถที่จะบรรลุอริยามรรคอริยผลได้ทำไมท่านไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลได้ฟังเทศนาของพระพุทธเจ้าคะก็บางคนเรียนจบป ร, ริญญาตีก็ออกไปทางาน ไม่เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกฉันได้ผู้ปฏิบัติบางทีพอได้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ปฏิบัติต่อไปทำอะไรอย่างอื่นต่อแทนก็เรา ย, ยังไม่บรรลุธรรมที่สูงกว่านี้ไปได้เกยังถ้าได้บรรลุพระโสดาบันแล้วก็หยุดตรงนั้นไม่ไปปฏิบัติเจริณาสุภะ ต, ต่อมันก็ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านั้นไม่ได้ เพราะเหตุใดเมื่อหลานสาวของนางวิสาขาได้เสียชีวิตลงนางจึงได้ร้องไห้เสียใจจนพระพุทธเจ้าต้องมาเทศนาสั่งสอนทั้งๆที่นางบรรลุเป็นโสดาบันแล้วยั ง, ยงไม่บรรลุนะั่งถ้าบรรลุก็คงไม่ร้องไห้หรอกพระเจ้าจึงนองมาสั่งสอนเนะี่ยคำถามจากคุณกุ๊กไก่หนูเคยคิดว่าควบคุมการอยากมีใครให้เข้ามาในชีวิตได้ โดยการปฏิบัติธรรมและบอกกับตัวเองในความยุ่งยากในการใช้ชีวิตมันก็ได้เพียงสักระยะหนึ่งความหงอยเหงาและอารมณ์นั้นมันก็เข้ามารบกวนหนูอีกทำอย่างไรหนูจึงจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้โดยเด็ดขาดคะได้อ่านใหม่ซิเมื่อกี้เสียงมันรบกวนเลยหนูเคยคิดว่าควบคุมการอยากมีใคร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 ถ้าใจสงบแล้วก็จะมีความสุขในตัวเองจะไม่รู้สึกเหงาว้าเวเวลาอยู่ตามลาพังแต่ถ้าใจไม่สงบเนี้เวลาอยู่ตามลำพังจะรู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหงาว้าเวดึงวิธีแก้ก็ต้องพยายามหมั่นเจริญสติให้มากแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความสุขภายในภายในใจโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุข ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราคำถามจากผู้ฝากถามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หนูรู้สึกว่าการนั่งสมาธิควบคุมใจด้วยสติให้ต่อเนื่องนี้เป็นอะไรที่ยากมากทำอย่างมากไม่เกินชั่วโมงทั้งที่เมื่อก่อนหนูนั่งได้นานกว่านี้จนอยู่กับความเจ็บปวดไม่ไหวไม่ไหวถึงลุก แต่หลังๆมานี้พอรู้อุบายว่าเจอความเจ็บต้องทำอย่างไรเวลามีความคิดเข้ามาแทกทำอย่างไรยิ่งรู้อุบายวิธีรับมือในการนั่งภาวนามากเท่าไรกับรู้สึกว่ายิ่งควบคุมใจได้ยากมากเท่านั้นเจอกับสภาพแบบนี้คือการควบคุมใจให้นั่งสมาธิได้ยากยากกว่าตอนที่ไม่รู้อะไรเลยจะทำอย่างไรคะ ขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายด้วยค่ะคือความรู้ต่างๆที่เรารู้นี่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะมาควบคุมใจของเราตัวที่จะควบคุมใจของเราก็คือสติเพราะฉะนั้นความรู้นี้มันมีไว้สำหรับขั้นปัญญาส่วนขั้นควบคุมใจนี้เราต้องใช้สติเพราะฉะนั้นเราอาจริงเราไม่ควรจะไปรู้อะไรก็ได้ในขั้นนี้ ให้รู้จากวิธีจเจริญสติควบคุมใจของเราให้สงบให้นิ่งให้ได้ก่อนเท่านั้นที่สำคัญดังนั้นความรู้เหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์ในขณะที่เรายังไม่สามารถควบคุมใจของเราให้สงบได้รู้ไปก็เป็นเหมือนั บ, บความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้เหล่านี้จะมีคนมีประโยชน์ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมใจของเราได้แล้วเมื่อเราควบคุมใจเราได้เราสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาสั่งสอนใจ แล้วให้ใจปฏิบัติตามความรู้เหล่านี้ได้แต่ตอนนี้ใจมันไม่ยอมปฏิบัติตามความรู้เหล่านี้มันจะไปตามความอยากของกิเลสตัณหาเราจึงต้องใช้สติมามาตัดกำลังมันก่อนมามามาให้มันสงบตัวลงก่อนเมื่อจิตเมื่อกิเลสตัณหาสงบตัวลงแล้วเราก็ถึงค่อยเอาความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนนี้ให้เรามาสั่งสอนจิตใจเพื่อให้จิตใจเรา เปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ต่อไปดังนั้นขั้นนี้ถ้ายัางควบคุมใจไม่ได้อย่าไปรู้มากเลยรู้มากก็เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอยู่ดีพยายามเอาตัวเดียวคือสตินี้ให้ได้ก่อนพยายามควบคุมใจเวลามันทุกมันวุ่นวายเวลามันพยศเวลามันดื้อก็หยุดมันได้ให้ได้ก่อนเอาแค่หยุดมันก่อนไม่ต้องสอนให้มันไปทําอะไรวิเศษวิโสหรอก ตอนนี้เอาแค่หยุดมันก่อนเวลามันดือ้อเวลามันจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หยุดมันก่อนหยุดด้วยสติก่อนถึงแม้ว่ามันจะหยุดได้ชั่วคราวมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรหยุดมันเลยพอหยุดมันได้ชั่วคราวแล้วต่อไปถึงค่อยใช้ปัญญามาหยุดมันอย่างถ้าวอนอีกทีหนึ่งคำถามจากทางบ้านหมดแล้วมีใครอยากจะถามบ้างไหมทั้งนี้